วันมาขาบูชาสำคัญยังไงนะเป็นมันหยุดราชการพนระเจ้าแสดงธรรม ะ, ะเป็นหลักจริงธรรมะที่ท่านสอนนีน้เป็นธรรมะสำหรับคนที่จะไปเผยแพร่ธรรมะตีกรอบให้ดูว่าหลักคำสอนของท่านครอบคลุมเื่อไม่ทำบาปตั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องแผ้ว แล้วท่านก็นสอนว่าคนที่จะออกไปเผยแพรธรรมะของท่านต้องมีคุณสมบัติอะไรมีขันติมีอะไรไม่เบียดเบียนคุณธรรมหลายประการอก็ก้อท่านแสดงโอวาทปฏติโมกเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้คนฟังเอาไปปฏิบัติบรรลุพระอรหันต์เพราะคนที่มาฟังโอวาทปฏติโมก วันนั้นทั้งหมดเป็นพระรหัรอยู่แล้วนี่เป็นธรรมะสาหรับผู้ที่จะออกไปประกาศธรรมะพวกเราคนไหนที่เป็นนักเผยแพ่ธรรมะในนิยมะนะมีหลายทีมหลายกลุ่มเราต้องไปลองศึกษาวาทปฏติโมดกดูมีหลายท่อนนะไม่ใช่มีสัพพะปะสสะกรณรนางอะไรไม่ใช่มีแค่บทเดียวมีหลายบท เวลาเราไปประกาศธรรมะประกาศให้ครบก็สอนคนว่าไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องแผ้วนี่ธรรมะเหล่านี้จะครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงได้ถ้าทำได้อย่างนี้จิตก็จะเข้าสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นอย่างรวดเร็วบางคนนะคิดจะทำธรรมะบางส่วนเท่านั้น อยากคิดว่าจะไปนั่งสมาธิเดินจงกรมคิดจะทำดีแต่ไม่คิดละชั่วไม่คิดจะถือศีลให้ดีอนตอนะไ ร, ไรคิดว่าทำดีไปเรื่อยนั่งสมาธิไปเรื่อยกิเลสนะั้นไม่ต้องขัดเกลารภาวนาไปเรื่อยทำสมถะทำวิปัสสนาไปเรื่อยกิเลสหยาบยาบเพื่อยังครอบงำอยู่กายวาจจาไม่เรียบร้อย เรหวังว่าจะบรรลุมักผลันรู้ยากนะยังปฏิบัตินะต้องดูสำรวจตัวเองเลยการกระทำบาปอกุศลใดๆยังทำอยู่ทนะ่นพูดถึงการทำบาปมันไม่ใช่เรื่องอกุศลในจิตอย่างเดียวออกมาทางกายทางวาจาด้วยงั้นเราต้องสารวจตัวเองอะไรที่ยังน่าเกลียดอยู่เราสำรวจตัวเองรู้ด้วยตัวเองอย่างบางคน กลุกรานคนอื่นนะลรานด้วยวาจาด้วยอะไรก็มีส่วนใหญ่ก็ลุกรานกันด้วยวาจาคนรุ่นเราเนี้ยจะไปตบไปตีกันเลยก็มีไม่มากพูดจาเสียดสีกนักแนแหนกันไนอะไรอย่างเงี้ยเราสํารวจนะว่าไอ้ความไม่ดีอะไรที่เรายัางมีอยู่บ้างความดีอะไรที่เรายัางไม่ได้ทําก็ต้องสารวจเพราะท่านบอกให้ทํากุศลให้ถึงพร้อม ท่าไม่ได้บอกให้ทํากุศลอย่างเดียวคือนั่งสมาธิหรือดูจิตอย่างเดียวไม่ใช่บาปต้องละนะกุศลต้องถึงพร้อมจิตต้องฝึกให้ผ่องแพ้วไว้ฝึกจิตให้ผ่องแผ้วคือ ใ, ให้จิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นขึ้นมาสีแรกมันก็ผ่องแพ้วเดิมแนาจของสมาธิต่อไปพอสติสมาธิปัญญาแก่รอบค่อยๆล้างกิเลสไปด้วยมรคค่อยสะอาดหมดจนมากขึ้นมากขึ้น พวกเราพอดูกไหมว่าเรายังมีความไม่ดีอะไรอยู่บ้างที่เรายังทำอยู่ทำทั้งที่รู้มีไหมใครรู้สึกว่ายัางมียกมือสิโอสาธุสาธุสา ธ, สาธุดีมากนะ <c oughs> ไม่ใช่ดีที่ทานะ <c oughs> ดีที่รู้ระหว่างคนทำชั่วเพราะไม่รู้นะกับทำชั่วทั้งที่รู้เนี่ยคนทำชั่วเพราะไม่รู้เนี่ยบาปมากกว่านี่แปลกไหม เรานึกว่ารู้รู้เราไปทําจะบาปมากทําชั่วทั้งที่รู้นะบาปน้อยกว่าทําชั่วโดยไม่รู้ทําชั่วโดยไม่รู้ว่าชั่วเนี่ยมันประกอบด้วยโมหะประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิตัวมิจฉาทิฏฐิตัวโมหะนี่เป็นบาปเป็นกรรมที่แรงที่สุดไร้กาศที่สุดพระเจ้าบอกไม่เห็นอะไรไร้กาศเท่ามิจฉาทิฏฐิเลยนี่พวกเรามีทิฏฐิที่ถูกเรารู้ว่าทําอย่างนี้ไม่ดีแต่เรายังสู้กิเลสไม่ไหว รู้ว่ามันไม่ถูกแต่ยังทำอยู่ต่อมาฝึกจิตฝึกใจของเราไปเรื่อยจิตใจเราเข้มแข็งขึ้นเราก็ข้ามไปได้เราก็ไม่ทำได้เพราะเรารู้ว่ามันไม่ถูกถ้าทำชั่วโดวยรู้อยู่ท่นบอกมีผลน้อยกว่ามีบาปน้อยกว่าในตำลาเขาเปรียบเหมือนคนไปจับเหล็กที่เผาไฟแดงๆหรือจับไอ้ฐานไฟแดงๆเนี่ย คนที่ไม่รู้ว่ามันเป็นของมีโทษนะเวลาจับจะจับเต็มไม้เต็มมือเลยว้าตะครุบเลยจะไม้อย่างรุนแรงอย่างพวกเราให้ไปจับไฟแดงๆจับฐานใช่ไหมเราจะจับแบบแถ้ามันถูกบังคับนะถ้าไม่จับจะยิงหัวเลยเวลาเราจับเราจะจับแบบให้บาดเจ็บน้อยที่สุดเพราะงั้นอย่างน้อยเราต้องรู้นะว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรชัว่วอะไรดีต้องรู้ ถ้าเรารู้แล้วเราอยังสู้กิเลสไม่ไหววันนี้ยังสู้ไม่ได้นะก็ยังดีที่สำนึกว่ามันไม่ถูกวันข้างหน้าก็ทำให้ถูกซะเนี่ยบาปอกุศลนี่ค่อยๆละไปะกุศลเราทําให้ถึงพร้อมมีศีลไหมมีสมาธิไหมมีปัญญาไหมค่อยๆสะสมนี่โดยย่อนะถ้าโดยละเอียดเนี่ยมันก็มีมากมายการสร้าง กุศลนะถ้าทำจะเป็นนิสัยกลายเป็นบารมีของเราถ้าทำนานๆ น, นะความดีทั้งหลายเนะี่ยพอทำนานๆนะมันกลายเป็นบารมีบารมีเป็นพลังนะอย่างพวกเราก็ต้องฝึกค่อยๆฝึกไปอย่างเราถือว่าเราเป็นฆราวาสเราคงไม่ได้สร้างเนคขมมะบารมีบารมีในการออกจากรกามอย่างพวกพระเนี่ยสร้างเนกขมมะบารมีประพฤติพรหมจรรย์ออกจากรกาม ระวาตออกจากกามได้ไม่ได้เหมือนกันถ้าเราไม่ไปติดอกติดใจผัพวพันอยู่ในกามคุณอารมณ์ก็คือรูปทั้งหลายเสียงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเราพยายามลดพยายามล่าของเราแล้วก็เท่ากับเราค่อยๆถอยออกจากกามได้อย่างบางช่วงบางครั้งบางคราวที่พอเหมาะพอสมเราลองถือศีลแปดู่ ถือศีลแปดเนี่ยเราก็ถือว่าได้อาหาดออกจากกรามบ้างแล้วเป็นประพฤติประมาจรรันไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงข้ามหรือกับเพศเดียวกันด้วยนะเดี๋ยวนี้ต้องครอบคลุมให้หมดอนะเด <c oughs> ี๋ยวนี้มันยุคนี้สับสนมากหรือ <c oughs> เราไม่กินข้าวเย็นเนี่ยมันฝืนใจมากนะใครเคยถือศีลแปดใครเคยบ้างอดข้าวเย็นครั้งแรกรู้สึกไง บวดยากไหมยยากนะใจมันจะคอยคิดถึงด้วยเลยว่าจะไม่กินข้าวมันก็คิดถึงก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวก็คิดถึงหอยทอดเดยอะคิดเลยนะยามค่ําอาหารที่ขายกลางคืนแต่ถ้าบวชแล้วไม่เป็นนะเป็นฆราวาสนะ่ะถือศีลแปดนะตกเย็ยนโอทุรนทุรายแต่เป็นพระเนี่ยตั้งแต่วันบวชนะมันรู้แล้วว่าไม่ได้กินรสชาตินี้ ไม่ทุดนทุรายเลยนะเฉยๆมันอิ่มอกอิ่มใจไม่หิวงั้นอย่างเราเป็นฆราวาสเราถือศีลปดนั่นเรก็ฝึกเนคขัมมะบารมีของเราไปประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยก็ฝึกเนคขัมมะบารมีเราไม่กินข้าวเย็นน ะ, นะก็คือไม่ติดในรถใจมันจะคิดถึงก็ข่มใจไว้ไม่เอาอะไรเงี้ยมีการฝึกเรานอนบนที่นอนนะ ที่ไม่ได้นุ่มนวล น, นอนแล้วสบายนั้นเป็นการเสพกรามทางร่างกายคือหาภัสสะที่สบายถือศีลแปดน 8, นอนบนไม้กระดานนอนบนเสือ่อเป็นการฝึกตัวเองให้ไม่ติดอกติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแต่เป็นฆราวาสเนี่ยไม่ควรถือศีลแปดตลอดการควรจะถือศีลห้าเป็นนิดนะศีลปดเนี่ยเป็นครั้งคลาว ตามที่เหมาะสมอย่างเราทํางานหนักทํางานเหนื่อยนะแล้วเย็นเย็นอดข้าอีกนะไม่นานโรคกระเพาะก็กินอ่ะหรือบางทีทํางานหนักนะกินมากไปโรคกระเพาะก็กินได้นะจนดึกๆแล้วเพิ่งกินข้าวนะกินข้าวแล้วก็นอนเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็โรคกระเพาะก็กินเหมือนกันนี่ <c oughs> เราค่อยๆทดลองนะค่อยๆหัดตัวเองไม่แค่เรื่องได้กรรมาบารมีนะทานนบารมีนะเคยบริจาคเลือดไหมใครเคยบริจาคเลือด บริจาคเลื่อนได้บุญเยอะกว่าบริจาคเงินนะทานบารมีนะบารมีทั้งหลายมันมี3มระดับบารมีปกติธรรมดานะและ้วก็บารมีระดับกลางเรียอุปบารมีบารมีอย่างใหญ่เลยเรียปรมัฐบารมีบารมีเบื้องต้นเนี่ยเป็นการสละอะไรที่ง่ายๆไม่ยากนักนะอย่างเรื่องทาทานให้วัตถุให้สิ่งของอะไรเนี่ยป็นการสร้างบารมี ทำให้ใจเราลดความโลภลงความตรหนีความหวงแหนอะไรนี้ก็จะลดลงตนีหวงแหนนี้เป็นตระกูลโทสะนะยันได้ทั้งโลภทั้งโกรธเนะี่ยได้ลดลงให้วัตถุให้สิ่งของให้ที่สูงขึ้นมาเป็นบา ร, รมีที่เข้มข้นขึ้นมาให้เลือดเนื้อวิญญาณบา ร, รมีปรมาทบา ร, รมีสูงสุดเนะี่ยกล้าให้ชีวิตเป็นฐาน อย่างพระเวสสันดรท่านตั้งใจเลยถ้าใครมาขอลูกตาก็จะให้มาขอหัวใจก็จะให้เนีย่ยมาทำอะไรท่านท่านยอบทอ่านนั่นเลยท่านเป็นปรมัาบารมีลูกเป็นที่รักใช่ไหมลูกเป็นที่รักคนมาขอก็กล้าให้ดูแล้วใจร้ายมากเลยดูแล้วถ้าคนยุคนี้จะวิจารณ์พระเวสสันดรในทางเสียหายเมื่อไม่มีความรับผิดชอบไปอยู่ในป่าใช่ไหม ให้เมียหาผลไม้ให้กินเองเองนั่งสมาธิอย่างงี้ดูแล้วไม่ดีสักอย่างมีลูกก็ยกให้เข้าไปเขาก็มาติลูกต่อหน้าให้ดูอะไรเงี้ยก็ยังทนได้อันนี้ถ้าเรามาตรฐานของเรานะของคนที่มีกิเลสไปวัดเนะี่ยอันนี้ไม่ถูกนะในมาตรฐานพระโพธิสัตว์อันนั้นถูกระหว่างความการุณาในลูกของท่านสองคนในเมียงท่านหรือความหวงแหนในร่างกายของท่าน ท่านกล้าสละได้เพราะความการุณางท่านมันใหญ่กว่านั้นความการุณาที่ใหญ่ไม่มีประมาณพวกเราทําไม่ได้ไหมระหว่างมหาชนจํานวนมากเนี่ยกับเราคนเดียวเราก็เลือกเราคนเดียวไว้ก่อนเห็นไหมดูนักาการเมืองการเมืองเนี่ยรักประชาชนมันรักที่ไหนอะ่ะมันก็พูดแต่ปากว่อพวกนี้ไม่มีใจแบบพระโพธิสัตว์เป็นะใจแบบสัตว์ทั่วๆไปอย่างพวกเราธรรมดาอย่างเนี้ย เราก็รักตัวเองก่อนวกว่าจะฝึกยักระทั่งเกิดมหากรุณานะเห็นใครๆเขาสงสารอยากให้ความช่วยเหลืออยากอนุเคราะห์ไปหมดเลยเนะี่ยต้องฝึกกันมากเลยกระทั่งกล้าสละชีวิตในยุค ข, ของเหล่านี้มันก็มีบางคนรักสละชีวิตเพื่ออุดมการณ์เพื่ออุดมการอะไรเงี้ยดูถ้าอุดมการณ์มันก็เป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะเหมัอนอยยังไม่ได้เป็นสากล ไม่ได้เป็นความการุณาสากลจริงๆมันกรุณาเฉพาะพวกเฉพาะกลุ่มอยู่ยังแคบอยู่อย่างสละชีวิตเพื่อชาติสละชีวิตเพื่อชาตินึกออกไหมไม่ได้เห็นแก่ตัวใช่ไหมช่วยชาติแต่มันก็ชาติเดียวเนี่ยมันจะแคบๆแต่ก็ดีกว่าเห็นแกนตัวไม่กล้าสละออกไปอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้สละชีวิตเพื่อชาติ ใจชาติหนึ่งหรือเพื่อคนใดคนหนึ่งเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งาราศละนะเพื่อจะช่วยสรรพสัตว์นี่เป็นใจที่สูงมากนะไอสุเรามาตรฐานของคนยุคนี้ไปวัดนะั้นก็รู้สึกว่าไม่ดีไม่ถูกคําว่าถูกควากคว่าดีบางทีเป็นเรื่องมาตรฐานทางสังคมในแต่ละยุคที่ไม่เหมือนกันอย่างเราจะเอามาตรฐานของคนยุคเราไปวัดคนรุ่นก่อนเนี่ยอันนี้ไม่แฟร์อย่างยิ่งเลย อย่างเราไปติเตียนคนรุ่นโบราณนะว่ามีเมียเยอะแต่ก็เสร็จแล้วก็อยากทำแบบคนโบราณนั่นแหลนะบอกว่ามีเมียหลายคนไม่ถูกสมัยน้นจำเป็นสงครามเกิดขึ้นแนละผู้ชายตายไปเยอะแยะเลยผู้หญิงไม่มีคนดูแลนะต้องดูแลกันงั้นเราไม่ได้เอามาตรฐานของเราไปพัดคนอื่นนะเวลาเราจะมองคนอื่นเนี่ยเรามอง ด้เหตุผลของเขาเราจะเข้าใจเขาถ้าเข้าใจเขาแล้วโกรธสะจะลดลงแล้วเราเกลียดใครสักคนแนละ้วมันทําแบบนี้ทําได้ยังไงถ้าเราลองนึกถึงว่าถ้าเราเป็นเขาอยู่ในปรากฏการณ์ในสถานการณ์นั้นที่ทําเหมือนกันถ้าเราถ้าเอาเงื่อนไขของเราไปวัดคนอื่นว่าเขาไม่ถูกอย่ันนี้ ใ, ใจแคบไปค่อยๆมาฝึกตัวเองนะสํารวจใจของเรายังไงใจของเรามันจะกว้างขึ้น ใจของเราจะเปิดขึ้นใจที่กว้างขวางใจที่เปิดไม่เห็นแค่ตัวนี่เนีเป็นใจที่เหมาะที่ควรแค่ธรรมะค่อยๆสํารวจไปว่าบารมีอะไรของเรายัางอ่อนศีลนะของเราดีพอไหมศีลก็เป็นบารมีเป็นขั้นๆเหมือนกันนะถือศีลอย่างของเราถ้าตั้งใจถือไปเรื่อยตลอดชีวิตนะก็ได้บารมีได้ศีลบารมี แต่ถ้าเราถือจนกระทั่งเป็นอัตโนมัติเลยนะบารมีของเราก็าแก่กล้าขึ้นจนกระทั่งถ้าจะให้ผิดศีลนะ่าตายสียดีกว่าอันนี้ถึงจะเป็นปรมาธบารมีระดับปรมาธบารมีเนี่ยนะประเภทสละชีวิตเพื่อธรรมะจะถึงจุดที่สละชีวิตเพื่อธรรมะได้ส่วนของพวกเราบารมียังอ่อนเราถึงขั้นสละธรรมะเพื่อชีวิตนะ เราพร้อมจะสระธรรมะเพื่อชีวิตเสมอเลยวันนี้ยังอ่อนไม่เป็นไรวันนี้ยังอ่อนไม่เป็นไรค่อยๆพัฒนาขึ้นไปหรือวันหนึ่งก็แก่กล้าขึ้นอย่างปัญญาบารมีก็ต้องพัฒนาตอนนี้เราก็มีปัญญาด้วยการฟังด้วยการอ่านฟังซีดีอ่านหนังสือหลวงพ่อเทศให้ฟังก็เป็นปัญญานะปัญญาเบื้องต้นเท่านั้นแหละเรามาพิจารณาไตรตรอง สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาด้วยเหตุด้วยผลด้วยใจที่ซื่อตรงเป็นกลางอ น, นี้ก็เป็นปัญญาอีกแบบหนึ่งปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาปัญญาชั้นสูงเนี่ยเป็นวิปัสนาปัญญาก็คือรู้อย่างที่มันเป็นเวลาที่เราต้องการให้มีปัญญาเราต้องการรู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราต้องไปดูว่าจริงๆแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นยังไง ไม่ใช่นั่งเลือกเอเองนะไม่ใช่นั่งพลิกตำราเอาเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นบางทีตำรามันก็ผิดอย่างตำราวิทยาศาสตร์นะมันผิดอยู่เรื่อยมันชอบถูกยุคเดียวอีกยุคหนึ่งมันไม่ถูกอีกและะ้วกระทางบางเรื่องนะเรื่องง่ายๆเลยเรื่องควรจะกินไข่หรือไม่ควรกินไข่นะเถ<ม>ียงกันอยู่นั่นอะยุคหนึ่งมาให้กินไข่เยอะๆแข็งแรงยุคหนึ่งม่ให้กินไขๆๆ่หไ ใ, หไขให้กินน้อยๆเดี๋ยวยุคนี้พ่อค้าไข่สนับสนุน ให้ทําวิจัยก็ให้กินเยอะอีกละอย่างงี้นะรวมความเราก็คไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าควรอยางแค่ไหนเนื้อความรู้ทางโลกนะเราไปอ่านตำราอ่านอะไรนะมันมีไบ as ทีก็วิจัยมาแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์ข้อมูลบางตัวยังทําไม่ได้นะมันคลาดเคลื่อนการหาความรู้ด้วยการไปอ่านเอาไปฟังเอาอาจจะไม่สมบูรณ์สิ่งที่อ่านที่ฟังความรู้ที่เกิดจากการคิดเอาเนะื้อ อาจจะคิดผิดก็ได้เพราะเราไม่ได้รู้อะไรทุกอย่างข้อมูลเราไม่สมบูรณ์จริงครักความรู้ที่น่าเชื่อถือนะควรจะพัฒนาวิธีหาความรู้แบบนี้ขึ้นมาก็คือการสังเกตการมีปัสนากรรมฐานเนะี่ยคือวิธีหาความรู้ด้วยการสังเกตการเอาสังเกตการความจริงของร่างกายสังเกตการความจริงของจิตใจดูความจริงของมันไปว่า จริงๆแล้วร่างกายนี้เป็นยังไงจริงๆ จ, จิตใจนี้เป็นยังไงเป็นสิ่งที่ควรรักควรหวงแหนเป็นตัวเราที่แท้จริงหรือเนี่ยเราฟฝ้ามาดูนะทุกวันนี้เราตั้งแต่เกิดมานะโดยกี่ยุกี่สมัยกี่ภพกี่ชาติก็ตามทุกคนจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเราจะมองทุกอย่างออกจากตัวเองตลอดเลยใช้ตัวเองเป็นที่ตั้งนะมอง คนอินเดียก็ถือว่าอินเดียเป็นชมพูทวีปอยู่ตรงกลางนะอะไรตัวเองก็ต้องเป็นเซ็นเตอร์แต่แขกเขาฉลาดจางนะภูมิปัญญาเขาสูงกว่า น, นั้นนิดหนะ่อยเขาถือว่ามีเขาพาะสุเมนเป็นแกนกลางนะเขาเป็นทวีปทางใต้นะแต่ชมพูทวีปดีที่สุดเลยเป็นที่เกิดของพระพุทธเจ้าเห็นไหมมันอดไม่ได้อะมันอดไม่ได้เมืองจีนเขาก็ถือว่าประเทศจีนเป็นศูนย์กลางของโลก ของเราแต่ละคนเราก็เป็นศูนย์กลางของโลกนะโลกนะแวดล้อมเราอยู่คนในครอบครัวก็แวดล้อมเราอยู่เราเป็นศูนย์กลางเรารักเราห่วงแหนตัวเองที่สุดเลยเราลองมาสังเกตต้องมาซิว่าตัวเราเองมันมีจริงๆหรือเปล่าแล้วมันน่ารักน่าห่วงแหนจริงหรือเปล่ามันเริ่มมาจากมีตัวเรานะมันก็เลยมีของเราเมมีตัวเรามีของเราขึ้นมานะ มันก็เริ่มกีดกันออกไปไว่าไอ้นั่นตัวเขาของเขาเสร็จแล้วก็ช่วงชิงกันนะกระทบกระทั่งกันแต่ละควรจะขยายขอบเขตของเราเนี่ยให้กว้างออกไปเรื่อยๆให้มันจะไปกระทบขอบเขตของคนอื่นสุดท้ายมันก็ถะเลาวิวาทกันหรือทําสงครามกันก็ขยายความเป็นตัวเป็นตนออกไปเรื่อยๆเพื่อเจ้าสอนให้เรามาดูสิ่งที่ว่าตัวเราตัวเราดูซิมันมีไหมแล้วที่ว่ามันมีมันดีจริงหรือเปล่า มันน่ารักมันน่าหวงแผนเหมือนอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเรามาคอยสังเกตความจริงของร่างกายสังเกตความจริงของจิตใจบ่อยๆร่างกายนี้มันเป็นยังไงร่างกายนี้มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันเป็นตัวเราหรือมันไม่ใช่ตัวเราคอยสังเกตเอาร่างกายนั้นมีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ดูยากร่างกายตัวรูปเนี่ยอายุยืนกว่านามาทํา นมามธรรมก็นั่งเกิดดับเกิดดับเป็นขณะขณะไปรูปเนี่ยเกิดดับช้ากว่านมามธรรมในตำราบอกรูปหนึ่งรูปเนี่ยนะมีอายุสิเจขณะจิตหมายถึงอายุเท่ากับจิตสิบเจ็ดวงอะไรเงี้ยรูปอายุยืนก่านมามธรรมเราจะมาดูตัวเองว่าไม่เที่ยงเนี่ยดูยากแต่ดูจิตว่าไม่เที่ยงนี่ดูง่ายเนื่องแม้จิตของเราเปลี่ยนเร็วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะ หมุนติ้ว ต, ว ต, วตวิเปลี่ยนตลอดเวลาเลยสุขก็แป๊บแป๊บนะเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปอย่างอื่นแล้วดีก็แป๊บเดียวโบลบโกรธลงก็ไม่นานโลภโกรธลงโลภกับโกรธก็อยู่เท่าที่ชั่วคิดอยู่ตึกอยู่ในอารมณ์นั้นเท่านั้นเองเนี่ยภาพสังเกตถ้าเรามาดูในกายเนี่ยสิ่งที่ชัดเนี่ยไม่ใช่อ น, นิจจังสิ่งที่ชัดในกายเนี่ยคือตัวทุกขังร่างกายนี้นะถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาครับว่าทุกขังไม่ใช่ทุกขเวทนานะ ทุกขังหมายถึงว่ามันทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั <isexual> ้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายของเราเนี่ยทนอยู่ไม่ได้ถูกบีบคั้นตลอดเวลาเช่นเรานั่งนะเรานั่งตลอดไปไม่ได้มันถูกบีบคั้นรูปนั่งของเราเนี่ยถูกบีบคั้นจะต้องเปลี่ยนอิริยาบถเดินนานๆก็ถูกบีบคั้นจะต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปนั่งไปนอนนอนนานๆก็ถูกบีบคั้นต้องนอนพลิกไปพลิกมา หายใจออกก็ถูกบีบคั้นนะหายใจออกไปชั่วครู่หนึ่งก็ต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ความทุกข์ของการหายใจออกหายใจออกชั่วครู่ก็หายใจเข้าแก้ทุกข์หายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์นั้นจริงๆแล้วความทุกข์บีบคั้นเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกความทุกข์บีบคั้นเราอยู่ทุกๆอิริยาบถแต่ว่าพวกเรานะจะเปลี่ยนอิริยาบถโดยอัตโนมัติอย่างเรานั่งแล้วเมื่อยนะ เราไม่ทันรู้สึกเลยว่าร่างกายนี้มีทุกข์พอเมื่อปุ๊บเราก็ขยับเลยเราเปลี่ยนอิริยาบถแล้วหนีความทุกข์ไปยังไม่ทันจะเห็นทุกข์เราหนีไปก่อนเวลาเราหายใจเนี่ยเรายังไม่ทันจะเห็นว่าเป็นทุกข์นะหายใจเข้าไปเรืยยังไม่ทันจะเห็นว่าเป็นทุกข์เรารีบหายใจออกเราไม่ยอมดูทุกข์เราลาเลยที่จะดูตัวทุกข์งั้นสิ่งที่ปิดบงังตัวทุกข์ของกายไปนะั่นก็คืออิริยาบถนั่นเองอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็ปิด ความทุกของการยืนเดินนั่งนอนการหายใจก็เหมือนการเปลี่ยนอิบบทธิบาตเหมือนกันว่า ป, ปิดบงังความทุกขของการหายใจเนี่ยถ้าเรามามีสติระลึกอยู่ในกายเนืองๆ เ, เราจะเห็นเลยร่างกายนี้มีความทุกบีบขั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้เป็นตัวทุกแท้ๆเลยร่างกายนี้เป็นตัวภาระวิะเจาสอนนะขันห้าเป็นภาระบุคคลแบกภาระไปไม่พ้นจากทุกทั้งปวง พระริยเจ้าคือพระอรหันต์วางภาระลงแ ล, แล้วแล้วไม่หยิบช่วยขึ้นมาอีกนะท่านก็พ้นจากความทุกข์เนี่ยถ้าเรามามีสติมีปัญญาเรียนรู้อยู่ในร่างกายไดนะ้เลยเห็นร่างกายนี้มันเป็นตัวทุกข์มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยแล้วมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะนเป็นสิ่งที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนถ้ำเหมือนคูหาเป็นเปลือกที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราว เปลือกนี้อยู่ชั่วคราวไม่นานก็จะแตกสลายไปมาดูจิตดูใจนะจะเห็นความไม่เที่ยงชัดถ้าดูกายนะจะเห็นตัวทุกข์ชัดถ้าดูจิตจะเห็นความไม่เที่ยงชัดจิตของเราเปลี่ยนเร็วเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางหูเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดขนาดนั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยบทีก็มองหน้าหลวงพ่อนะบทีก็ตั้งใจฟังทีก็ฟังสองสามคำก็ไปคิดสลับไปสลับมาตลอดเวลา มีแต่ความไม่เที่ยงจิตที่ไปดูเกิดแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงจิตที่ฟังเกิดแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงจิตที่คิดเกิดแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงจิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับไม่เที่ยงจิตที่ทุกข์เกิดแล้วดับจิตที่ดีจิตที่โลภที่โกรธที่หลงเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาแล้วตัวเด่นอีกตัวหนึ่งที่แสดงนะก็คือความเป็นอนัตตามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับเราสั่งมันไม่ได้ สั่งให้ดูอย่างเดียวห้ามคิดก็ไม่ได้นะสั่งให้ฟังอย่างเดียวไม่ให้คิดก็ไม่ได้สั่งให้สุขอย่างเดียวก็ไม่ได้นะห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้เต็มไปด้วยของบังคับไม่ได้นะเนื่อถ้าเรามาเจริญสติเจริญปัญญานะเราทําตัวเป็นคนสังเกตการสังเกตความจริงของร่างกายโอ้เต็มไปด้วยทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นอนัตตาเป็นวัตถุก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเรา มาสังเกตจิตใจไม่เที่ยงก็บังคับไม่ได้คําว่านัตตามีหลายความหมายนะนัตตามีทั้งห้าความหมายบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวใช่ตนปฏิเสธความเป็นตัวตนมีความหมายหลายอย่างร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอเป็นวัตถุจิตใจไม่ใช่ตัวเรารเพราะเราไม่ได้เหมียมอำนาจเหนือมันสั่งมันไม่ได้การที่เรามาเฝ้ารู้โลงในใกายในใจเรื่อยๆต่อไปเราจะรู้เลยว่าหาสารแก่นสารอะไรไม่ได้เลย เราเที่ยวแสวงหาความสุขนะทางกายความสุขทางจิตใจแต่ว่าตั้งกายเองนะหาความสุขไม่ได้จิตใจเองก็แปรปรวนตลอดการที่จะเที่ยวดิ้นหาความสุขทางกายทางใจนะไม่มีสาระแก่นสารไปด้วยเพราะตัวกายตัวใจนะหาสาระแก่นสารไม่ได้นั้นความดิ้นรนมันจะหมดไปเองนะถ้าเมื่อใดเห็นแจ้งนะว่าขันห้านี้กายนี้ใจนี้หาสาระแก่นสารไม่ได้ความที่จะดินน้นรนทยานอยากไปในสิ่งต่างๆก็จะหมดไปด้วย ถ้าหมดความดิ้นรนทยันอยากนะในใจเราปราศจากตัณหาแล้วเนี่ยเราจะพบความสงบสุขเราจะพบสันติสุขสันตินั่นแหละคือคำ ว, ว่านิพ า, านนิพานนั่นแหละคือสันติลักษณะมีลักษณะที่สงบสงบจากกิเลสสงบจากความปรุงแตง่งสงบจากทุกสงบพ้นไปจากรูปจากนามสิ่งเหล่านี้มีอยู่นะถ้าเราค่อยๆฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยสำรวจตัวเองนะ ความชั่วอะไรไม่ละพยายามละเสียกุศลอะไรยังไม่เจริญก็เจริญเสียโดยเฉพาะการเจริญสติเจริญปัญญาเนะี่ยเป็นกุศล ส, สูงสุดการทําทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิก็เป็นบุญเป็นกุศล น, นะแต่กุศลที่สูงสุดนี่ยกุศลใดประกอบด้วยสติกุศลใดประกอบด้วยปัญญานะอันนั้นเป็นกุศล ส, สูงสุดกระทั่งจิตที่เป็นกุศลยังมี2ระดับนะ จิตที่เป็นกุศลแบบมีปัญญานี่เป็นกุศลสูงสุดจิต ท, ที่มีสติเฉยๆแต่ไม่มีปัญญาอันนี้ก็เป็นกุศลนะแต่รองลงมางั้นปัญญาอยู่ๆไม่เกิดหรอกต้องอาศัยการสังเกตการเอาสังเกตลงในกายสังเกตลงในใจบ่อยๆตัวนี้เป็นบุญเป็นกุศลที่สูงที่สุดเพราะเป็นช่องทางเดียวนะที่จะทําให้เราเข้าถึงอริยามรรคอริยผลได้อันนั้นเป็นโลกุตตะกุศลนะอริยามรรคเนี่ยเป็นโลกุตตะกุศล อริยผลนะไม่เป็นกุศลเป็นผลมาร์กเป็นเหตุเป็นตัวกุศลผลก็เป็นผลเลยกุศลไปละไปทานข้าวไปเวลาทางชาวก็สํารวจนะความชั่วอะไรยังไม่ละความดีอะไรยังไม่ทํา <c oughs> จะทั่งเข้าห้องน้ําอย่างเรายืนเข้าแถวเข้าห้องน้ำนะ <c oughs> เห็นคนข้างหลังเราเนี่ยถ้าทางได้รับทุกขเวทนานหนักอะไรอย่างนี้นะ เอาไปพาสให้เขาไปสักก่อนหนึ่งก็แค่นี้ก็ได้บุญละเอาห้องน้ำแล้วล้างให้สะอาดนะล้างให้เรียบร้อยก็เป็นบุญละเรียกวิยยาวัชไม้นี่หมดเลยครับ